คุณเจ้าชายถามถึงเรื่องการกหบดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทํามา 2-3 ครั้งต่อวันคือทําตลอดทั้งวนนันในช่วงเวลาที่เผลออาจจะมีแค่วันละสองสครั้งเท่านั้นเองที่เผอไม่สามารถกหบดได้เราก็ทํามาประมาณ 3-4 เดือนผลที่ได้รับเนี่ยปรากฏว่าคุณเจ้าชายนี่กลับโมโหง่ายแล้งหุดหงิดง่ายไม่รู้แต่ว่ารู้ตัวนะว่าในการโมโหและหุดหงิด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 ทำไมทั้งที่เจริญสติปัตานเหมือนกันสังเกตลมหายใจเหมือนเหมือนกันนะลมหายใจก็ลมหายใจเดียวกันอากาศก็อากาศเดียวกันแต่ว่าพิสูกรูปที่ไม่สามารถทําจิตให้ตั้งมั่นไม่สามารถละอาสวาได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ฉลาดในการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนแต่คนที่สามารถทําได้เนี่ยก็เขาฉลาดในการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนิมิตแห่งจิตเนี่ยก็คือเราต้องทําให้ถูกไงเวลาเราสังเกตลมหายใจเนี่ย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 ก็เป็นคำพูดวัจนะได้ถ้าทิ้งเนี่ยมันเหมือนกับคว้างทิ้งเราอาจจะต้องบังคับเราแค่ปล่อยเข้าไปเฉยมีความคิดผ่านเข้ามาในจิตใช่ไหมนั่งสมาธิอยู่นี่โอ้จิตฟุง้งซ่านจิตฟุง้งซ่านทําไงเราก็มารู้ลมหายใจต่อไปนะอย่าตามเขาไปถ้าตามเนี่ยคือการเปลิอ ล, ละเปลือลคิดต่อไปอ๋อันนี้เรางงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเคยทำทีินี่เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้อนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่เปลือลไปละปรุงแต่งต่อเนื่อง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 คำว่าจากคุณจรีนะถามในเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ถามว่าแค่สังเกตลมหายใจเนี่ยแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับแม้วิโตวิจารก็ระงับคนที่ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วยังหายใจอยู่แสดงว่าหายใจทิ้งอันนี้อาตมาได้พูดไวนะ้ในตอนที่รู้สึกจะ8หรือ9นี่แหละเขาเป็นตอนที่สิบเป็นตอนที่10บนะเขาถามว่าเขาเนี่ยเอาคำนี้แหม่ท่องจําไว้เลยนะเราก็เอาไปพยายามบอกต่อกัคนอื่นเมื่อมีโอกาส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 ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการละอกุศลภาษาอังกฤษพระพุทธเจ้าใช้คำว่า removal of evil a n w h o l e s o m e t h o u g h t ก็พระพุทธเจ้าได้เคยสอนวิธีนะในการละอากุศลไว้อยู่ทั้งหมด5วิธี5วิธีนี้ก็เป็นรนยะหนึ่งเท่านั้นเองนะก็ยังมีอีกหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ไล่ไปเลยนะอันนี้จะอธิบายให้ฟังก็จะเป็นการดีมันตามเวลาที่เหลืออยู่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 ทำยังไงวิธีที่สองให้เข้าไปใคร์กรวนพุทธเจ้าบอกว่ายังถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้เห็นโทษของอกุศลนั้นให้เห็นโทษนะพรุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าไคร์กรวนซึ่งโทษแห่งอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่ว่าวิตกเหล่านี้เป็นอกุศลวิตกเหล่านี้ประกอบด้วยโทษวิตกเหล่านี้มีทุกขมีวิบากมากให้คิดเลยว่าถ้าเราด่าเขานะ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 ระอารังเกียจขยะขยะงเหมือนกันเธอก็รู้สึกอึดอัดระอา ร, รังเกียจขยะขยงต่อโทษของอกุศลเหล่านั้นพอเราคิดถึงเรื่องโทษนะคนอื่นจะอยู่ไม่เป็นสุขเรานะถ้าตายไปมีจิตแบบนี้สวยเลยตกไายเลยเป็นสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าทำอ่าทำนะให้เป็นมีความคิดรู้สึกราอารังเกียจต่อสิ่งเหล่านั้นรีบเอาออกโดยไวนี่วิธีหนึ่งวิธีที่2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 เอาลิ้นดันเพดานดันดัน ด, นดนกิเลสไม่หลุดเราไม่หยุดดันดันไปเลยพอนโลบายใจกิเลสไม่หลุดเราไม่หยุดพอ่อนะไม่กินข้าวกิเลสไม่ออกเราไม่กินข้าวอย่างนี้นะข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับมันต้องไปอย่างพระนี่ปฏิบัติทุดดวงควัตข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากมันเป็นเครื่องขุดเกากิเลสอย่างยิ่งพระม่งบอก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 ค่อยพบกันต่อไปผู้ใดมีคำถามข้อเสนอแนอะติชมรายการจะฝากถึงหมอณัฐพงษ์หรือตัวอาตมาเองหรือผู้ที่ทำเว็บไซต์ก็ให้ส่งเข้ามาได้ที่ w w w p e e l t h a m a c o m นี่แหละวันนี้ก็สมควรแกเวลาจเจริญพร